ของพวกเราคงจะเหมือนการ น, นมัสเพราะท่านเป็นคนดีท่านเป็นปราชญ์ท่านเป็นบัณฑิต เ, เป็นท่านเป็นพ่อที่ดีของประเทศชาติอยู่แล้วเพราะท่านพวกลูกหลานคณะสัตธาญาติโยมทุกคนทำความดีเพื่อพ่อคิดดีทำดีพูดดีพ่อของเราก็จะเป็นที่พอใจกับลูกกับหลานกับพวงประชาทุกหมู่เหล่าต่ อ, ตอ น, นี้ไป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 หลังไปนะั่นแปลว่าเป็นเริ่มเป็นประวัติศาสตร์แล้วนะลูกหลานนะเน่นี่แหละประวัติศาสตร์ย้อนดออูว่าการเป็นอยู่ของพวกเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราได้รับความสงบพรมเย็นเป็นสุขในพื้นแผ่นดินไทยมีอะไรบ้างธรรมชาติดินฟ้าอากาศแผ่นดินถลม่มแผ่นดินไหวพายุฝนตกน้ำท่วม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 ดูแลประคับดูแลประคับประคองอยู่แล้วก็การเป็นอยู่ทุกเราพวกเราอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวได้บรรยายให้ฟังพวกเรานึกคิดดูสิจริงไหมถ้าพวกเราใช้ความคิดหลวงพ่อกับมั่นใจพอหลวงพ่อออกความจริงมาพูดมาแนะนำบอกกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนศรัทธายาโยมอมได้ฟังเพราะนั้นขอให้พวกเรา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 เออเป็นเด็กเรียนหนังสือเนี่ยลุงพ่อเองน่ะเป็นเด็กน้อยเห็นหมูพวกเพื่อนอชวนมาบ้านอะไรลักษณะอย่างนั้นแ่ละเรานชอบหมูชอบเพื่อนอยู่แล้วแต่ผู้พ่อลุงพ่อโยมพ่อของลุงพ่อเนี่ยท่านก็ไม่ว่าแต่ท่านเอาเพื่อนบางคนมาเนี่ยลุงพ่อบอกโยมพ่อบอกเตือนนะเอ้ยลูกอดูนะเนี่ยพ่อแม่ของเขาเนี่ย ดูดูแล้วเป็นขโมยนะ อ, อนิสัยไม่ดีไปคบกับคนที่ไม่ดีไปคบกับเพื่อนที่ไม่ดีเนะี่ยอันตรายนะ อ, อจากนั้นท่านก็เล่าเป็นนิทานให้ฟังนะทุกพ่อหนึจึงติดนิทานนะ่ยคณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานเ อ, อท่านก็เล่าเรื่องออพญาลินทองกับพญายักษ์กาลสาตะกรก็เป็นเพื่อนกันแต่คนหนึ่งเ อ, อนิสัยดีคนหนึ่งนิสัยเกเร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 ความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นวันนี้เป็นวันพ่อนะเป็นวันพ่อแห่งชาติปีหนึ่งก็มีวันเดียวเท่านี้เพราะนั้นขอให้พวกเราข้ารัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนอะประกอบคุณงามความดีให้มีศีลห้าตลอดทั้งวันวันนี้ที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อนะ่ที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อบอกกล่าวนะให้พวกเรามีศีลห้าประจํากายวายจาของพวกเราตลอดทั้งวันวันนี้